ตอนที่สี่บห้าขอมอบหมายให้เจ้าแล้วกันเมื่อเห็นซุนหยองเฉียงร้องให้อย่างหนักซูมานอินก็ถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยผู้คนรอบข้างต่างก็รู้สึกแปลกใจซุนหยองเฉียงคนนี้แม้จะดูผอมโซแต่รูปร่างก็ไม่ได้เที้ยจัดว่าเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งร้านใหม่ของคนอื่นเพิ่งจะเปิดกิจการแต่เขากลับมานั่งร้องให้โฮอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ซุนหยงเฉียงเจ้าใจเย็นๆก่อนชิ้นเสืยอเยลเหลืระดาษทิชชู่สีขาวแผ่นหนึ่งส่งให้ซุนหยงเฉียงรีบเช ขอบคุณครับซุนยงเฉียงรับกระดาษทิชชู่มาเช็ดน้ําตาในที่สุดอารมณ์ของเขาก็เริ่มสงบลงที่สาวผมไม่กลัวพี่จะหัวเราะเยาะหรอกนะที่ผมมาที่นี่ความจริงแล้วผมตั้งใจจะมากินฟรีนะครับซุนหยงเฉียงแสดงสีหน้าสำนึกผิดในกระเป๋าของผมไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่เหมาเดียวตอนที่เห็นหลี่ซื่อเอ๋อมาก่อเรื่องผมยิง่งคิดจะช่วยผสมโรงด้วยซ้ําแต่ใครจะไปรู้ว่าจูจ่ๆพี่สาวจะเดินเข้ามาจากข้างนอกพอดีพี่สาวถึงผมจะเกเรไปบ้าง แต่ผมก็เป็นคนรักพวกพ้องและมีสัจจะในเมื่อตอนนั้นพี่สาวเคยเมตตาตอบแทนความไร้กาศของผมด้วยความดีแล้วผมจะทำเรื่องทำร้ายพี่สาวลงได้อย่างไรดังนั้นซุนยงเชียงรู้สึกละอายใจจนแทบแทบแผ่นดินหนีสุดท้ายได้แต่ก้มหน้ากล่าวขอโทษซ้าแล้วซ้าเล่าพี่สาวผมมันไม่ใช่คนผมทำให้พี่สาวกับหัวหน้าสถานีก็ต้องผิดหวังในคาสั่งสอนจริงๆครับ เมื่อพูดถึงจุดเตือนใจซุนหยงเฉียงถึงกับลุกขึ้นยืนและตั้งททาจะคุกเข่าลงต่อหน้าซูมานอินยังดีที่ซูมานอินตาไวและมือเร็วนางรีบเข้าไปขวางเขาไว้ทันควันน้องชายรู้ผิดแล้วกลับตัวกลับใจได้ก็นับว่าเป็นเรื่องประเสริฐที่สุดแล้วซูมานอินยิ้มปลอบประโลมนั่งลงกินข้าวให้ดีเธอกินอิ่มแล้วพวกเราค่อยมาคุยกันครับพี่สาว เมื่อผู้คนรอบข้างเห็นว่าซูมานอินมีน้ำใจและเปี่ยมด้วยคุณธรรมเช่นนี้ต่างก็พากันยกนิ้วโป้งให้ด้วยความชื่นชมบางคนก็ให้กำลังใจซุนหย่งเฉียงว่าเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ซุนหย่งเฉียงได้รับคำชื่นชมจากผู้คนมากมายขนาดนี้ภายในใจของเขาพลันรู้สึกถึงกระแสความอบอุ่นที่ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาเรอจนกระทั่งลูกค้าในร้านเริ่มซาลงซูมานอินจึงเดินเข้าไปหาซุนหย่งเฉียงและเริ่มพูดคุยกับเขาซุนหยงเฉียงฟังจากที่เจ้าพูดเจ้าคงจะเคยเรียนหนังสือมาบ้างใช่ไหม ซุนยงเฉียงพยักหน้าเคยเรียนจบชั้นมัธยมต้นครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วทำไมหล่ะเรียนไม่ไหวหรืออย่างไรซุนยงเฉียงถอนหายใจออกมาพ่อของผมเสียชีวิตส่วนแม่ก็ล้มป่วยที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียผมเลยต้องลาออกจากโรงเรียนครับซูมานอิ่มไม่คาดคิดมาก่อนว่าครอบครัวของซุนยงเฉียงจะลำบากถึงเพียงนี้ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ควรเดินหลงผิดนะฉินเสียวเย่าที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นด้วยความไม่พอใจ หางานสุจริตทำมันไม่ดีกว่าหรือไงเป็นพระผมโง่เองที่ไปหลงเชื่อคนผิดนะครับสุนยงเฉียงถอนหายใจออกมาอีกครั้งเขาถอนหายใจให้กับความโง่เขาวของตอนเองและโชคชะตาที่ไม่เข้าข้างที่สาวผมขอสัญญากับพี่เลยว่าต่อไปถึงแม้จะต้องไปเก็บขยะขายผมก็จะไม่มีวันทําเรื่องผิดกฎหมายอีกเด็ดขาดวันละหนึ่งหยวนรวมอาหารด้วยเจ้าจะทําไหมซูมานอินเอ๋ยถามด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยสุนยงเฉียงถึงกับอึ้งไปเขาจ้องมองสูมานอินตาไม่กระพริบ พี่สาวพี่หมายความว่ายังไงครับเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าร้านอาหารเล็กๆของข้าธุรกิจไปได้สวยแต่ติดที่ว่าคนงานยังมีจํากัดวันนี้ซูมานอินยุ่งจนหัวหมุนจริงๆนางจึงวางแผนจะรับคนงานเพิ่มมาตั้งนานแล้วในเมื่อสุนหย่งเฉียงมีความตั้งใจที่จะกลับตัวกลับใจจริงๆเหตุใดนางจะไม่ลองรับเขามาทํางานดูล่ะเห็นเจ้าพอจะรู้หนังสืออยู่บ้างก็มาช่วยจดรายการอาหารแล้วก็ช่วยทําความสะอาดร้านอะไรพวกนี้แล้วกัน เดือนแรกข้าให้วันละหนึ่งหยวนรวมอาหารมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นด้วยเจ้าคิดว่าอย่างไรสุนยองเฉียงตกตะลึงไปชั่วครู่ก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้นเสียงดังตุ๊บแล้วเริ่มโขกศีรษะลงกับพื้นทันทีพี่สาวพี่คือพี่สาวแท้ๆของผมเลยครับสุนยงเฉียงน้ําตาไหลพร่าออกใหม่อีกครั้งเขาไม่คาดคิดเลยว่าในยามที่เขาลำบากถึงขีดสุดคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยฉุดเขาขึ้นมากลับเป็นผู้หญิงที่เขาเคยมีเรื่องบาดหมางด้วยมาก่อน พอได้แล้วใต้เขาลูกผู้ชายมีทองคำล้ําค่าใหญ่เอ๋ยกูขูเข่าสิซูมานอินรีบดึงตัวซุนหยงเฉียงให้ลุกขึ้นจากพื้นเฮ่อเจ้าซุนหยงเฉียงคนนี้ช่างหาเรื่องนับญาติให้ตัวเองเก่งจริงๆนะเมื่อได้ยินเขาเรียกซูมานอินว่าพี่สาวฉินเสี่ยวยาว่าที่ยืนทธนเมล็ดแตงโมอ ย, อยู่ข้างๆก็เริ่มไม่พอใจขึ้นมาทันทีนางเป็นแม่น้อยของข้าเจ้าเรียกนางว่าพี่หมายความว่าอย่างไรข้ามีต้องเรียกเจ้าว่าอาด้วยหรือไง ซุนหยงเฉียงเกาหัวสมองประมวลผลไม่ทันจนต้องส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางสู่มานอินเอาอย่างนี้แล้วกันต่อไปเจ้าเรียกข้าว่านะแล้วเรียกเสี่ยวเยเว่ว่าพี่สาวซุนจิ๋วหลิงกับจางชุยฮวาเดินออกมาจากห้องครัวสู่มานอินจึงแนะนําทั้งสองคนให้ซุนหยงเฉียงรู้จักด้วยพวกนางสองคนเจ้าก็เรียกพี่สาวเถอะนี่คือซุนหยงเฉียงต่อไปเขาจะมาช่วยงานที่ร้านเราโอยตายแล้วดีจริงๆเลยในที่สุดก็มีผู้ชายมาช่วยหยิบจับอะไรบ้างเสียทีจางชุยฮวามีสีหน้าดีใจ ตั้งแต่ข้ามาอยู่ที่นี่ล้างจานจนแขนล้าไปหมดแล้วซุนจิวหลิงเองก็ดีใจเช่นกันการมีคนมาช่วยเพิ่มจะทำให้พวกนางเบาแรงลงได้มากน้ะไม่ต้องห่วงครับต่อไปเรื่องจดออเดอร์กับล้างจานผมเมาเองตกเย็นเกาฉางเหอถือช่อดอกไม้สดมาที่ร้านโดยอ้างว่ามาฉลองเปิดร้านใหม่แต่ดอกไม้นั้นกลับมีเพียงซูมา่านอินคนเดียวที่ได้รับไปฉินเสียวเย่เว่เห็นช่อดอกไม้นี้แล้วรู้สึกคุ้นตาพิกลหวัวหน้าสถานีกับดอกไม้นี้ท่านคงมีได้ไปเด็ดมาเองหรอกนะ เกาชางเหอยิ้มเจรินพรางทำเสียงชู่ใส่ชินเสี่ยวเยเว่ชู่รู้แล้วก็อย่าพูดสิซุนหยงเฉียงสวมผ้ากันเปื้อนเดินออกมาจากหลังร้านพอเห็นเกาช้างเหอก็รีบเข้าไปทักทายอย่างกระตือรือร้นหัวหน้าสถานีเกาท่านมาแล้วเกาช้างเหอชะงักไปซุนหยงเฉียงเจ้ามาทำอะไรที่นี่ซูมานอินเล่าเรื่องที่รับซุนยงเฉียงไว้ทำงานให้ฟังเกาช้างเหอพยักหน้าไม่หยุดมานอิงเจ้าชาติมีเมตตาจริงๆฉินเสี่ยวเย่ยื่นกลั้นขำอยู่ข้าง หัวห น, น้าสถานีกับวันนี้ทำไมถึงตัดคำว่าสหายออกไปเสียละ่ะเก้าช้างเหอชินกับคำล้อเล่นของชินเสี่ยวย่าแล้วเรียกแบบนี้จะได้ดูสนิทสนมกันอย่างไรเล่าเขาหันไปกำชับซุนหย่งเฉียงอีกรอบอย่าทำให้คนที่ช่วยเหลือเจ้าต้องผิดหวังอีกและอย่าทำให้แม่ของเจ้าต้องลำบากใจอีกด้วยหัวห น, น้าสถานีวางใจเถอะครับถ้าผมยังทำตัวเหลวไหลอีกผมก็ไม่ใช่คนแล้วเก้าช้างเหอตก บ, บาซุนหย่งเฉียงพอเขาเดินเลี่ยงไปเก้าช้างเหอก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมา ซุนยงเฉียงคนนี้ก็น่าสงสารพอตัวพ่อแม่เสียไปตั้งแต่ยังอยู่ชั้นมัธยมต้นเดี๋ยวนะคะแม่เขายังอยู่มิใช่หรือซูมานอินถามด้วยความสงสัยเมื่อครูทันยังพูดถึงแม่ของเขาอยู่เลยนั่นเป็นแม่บุญธรรมนะเก้าช้างเห่อถอนหายใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องในอดีต ท, ที่แท้ตอนซุนยงเฉียงอยู่มัธยมต้นพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาจึงต้องลาออกจากโรงเรียนมาเร่ร่อนตามท้องถนนและได้นับถืออันธพาลคนหนึ่งเป็นที่ใหญ่พี่ใหญ่คนนี้มีชื่อเสียงพอตัวและคอยคุ้มครองเขามาตลอด แต่น่าเสียดายที่คนเดินบนเส้นทางนักเลงยอมมีวันพลาดพังสุดท้ายเขาก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งจากการทะเลวิวาทกับผู้อื่นเขาทิ้งแม่ที่ป่วยหนักไว้คนหนึ่งซุนหยงเฉียงจึงรับมาดูแลเป็นแม่ของตัวเองซุนหยงเฉียงคนนี้มีคุณธรรมขนาดนี้เชียวหรือชินเสี่ยวเยว่ไม่ได้ที่จะรำพึงออกมาข้าก็ว่าอยู่ว่าเขาผอมแห้งเหมือนไม้เสียบผีขนาดนั้นทําไมถึงยังมีคนยอมฟังเขาตั้งมากมายนึกมีถึงเลยว่าข้าจะรับยอดฝีมือจากแดนเถื่อนมาไว้ในร้านซูมั่นอินหัวรอยยอตัวเอง หัวนหน้าสถานีก็คืนนี้ท่านว่างไหมคะเก้าช้างเฮิ อ, อึ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยความตื่นเต้นว่างครับว่างแน่นอนซูมานอินเห็นท่าทางตื่นเต้นของเขาก็เดาได้ทันทีว่าเขาคงเข้าใจผิดคือข้าอยากจะไปดูที่บ้านของซุนหย่งเฉียงหลังจะปิดร้านนะคะเรื่องนี้เองหรือเก้าช้างเฮอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังฝืนยิ้มออกมาเด้ครับผมจะไปเป็นเพื่อนคุณเองซูมานอินหันไปมองฉินเสี่ยวยาวซึ่งเด็กสาวก็รีแสดงท่าทีทันที คืนนี้พี่รองจะมารับพี่สภัยคข้าจะกลับไปพร้อมกับพวกเขาเองค่ะหัวหน้าสถานีกับแม่น้อยของข้าฝากท่านดูแลด้วยนะ